สิกขาบทที่หภิกษุณีให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนแก่ชาวบ้านแก่พริภาชกหรือแก่ปริภาชิกาต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังให้ต้องอาบัาตออบทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แล้วต้องอาบัตปาจิตเี